ตอนที่ผมไปเรียนต่อที่อเมริกาผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเล็กๆในรัฐแคนซัสตอนกลางของประเทศรัฐแคนซัสนี้มีอนณาเขตกว้างใหญ่เกือบเท่ากับประเทศไทยแต่ว่าเมืองที่ผมไปอยู่เป็นเมืองเล็กๆซึ่งมีประชากรไม่กี่หมื่นคนเท่านั้นในจำนวนนี้เกือบหนึ่งในสามเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยซึ่งพักอยู่ในเมือง ส่วนทางรอบนอกออกไปเนี่ยเป็นทุ่งราบกว้างคนที่นั่นส่วนมากมีอาชีพทําฟาร์มปลูกข้าวโพดแล้วก็เลี้ยงสัตว์นักศึกษาต่างชาติมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมากที่สุดเห็นจะเป็นประเทศอิหร่านรองลงมาก็คือไนจีเรียไต้หวันเกาหลีแล้วก็คนไทยเรามีอยู่ด้วยกันไม่ถึงสิบคน ในปีพุทธศักราชนั้นเมืองที่พวกเราอยู่ถือว่าไกลปืนเที่ยงมีคนไทยอยู่น้อยไม่เหมือนทาง L.A. รัฐแคลิฟอร์เนียหรือทางรัฐนิวยอร์กฝั่งตะวันออกที่มีคนไทยอยู่กันมากการที่มีคนไทยอยู่เพียงไม่กี่คนแบบนี้ทำให้พวกเรารู้จักกันหมดในเมืองเล็กๆไม่มีกิจกรรมอะไรมากเวลาวันหยุดก็สังสรรค์กันบ้างยิ่งถ้าเป็นช่วงที่อากาศดีๆก็นัดกันออกไปตามริมทะเลสาบเอาอาหารไปปิกนิก พวกที่ชอบกีฬาก็นัดกันไปเล่นกีฬาแต่ว่าตามปกติแล้วไม่ค่อยจะมีเวลาว่างมากนักเพราะว่านอกจากเรียนหนังสือแล้วพวกเราเกือบทุกคนทำงานนอกเวลากันหมดการทำงานของพวกเรามีตั้งแต่ทำงานในมหาวิทยาลัยที่เขาจัดไว้ให้นักศึกษาเช่นล้างจานในห้องอาหารทาความสะอาดห้องสมุดงานแบบนี้ได้ค่าจ้างน้อยเพียงอัตราค่าแรงขั้นต่าสุดตามกฎหมายส่วนงานข้างนอกได้ค่าจ้างมากกว่า พวกเราทำงานหลากหลายมีทั้งทำงานในฟาร์มเสริฟอาหารบาร์เทนเดอร์หรือทำงานตามโรงงานที่มีอยู่สองสาแห่งในเมืองเมื่อผมไปอยู่ที่นั่นเป็นปีที่สองมีนักศึกษาไทยรุ่นน้องมาใหม่3 4ี่คนเช่าบ้านอยู่รวมกันไม่ไกลาจากห้องเช่าของผมในไม่ช้าพวกเราก็สนิทสนมกันนักศึกษาที่ไปอยู่ใหม่กลุ่มนี้มีอายุน้อยกว่าผมหลายปีซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพวกที่ชอบกีฬา ที่อเมริกามีกีฬาให้ดูตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤ ด, ดูไหนก็ตามทั้งอเมริกันฟุตบอลเบสบอลแล้วก็บาสเกตบอลกิจกรรมส่วนหนึ่งของคนอเมริกันเวลาเลิกงานหรือว่าวันหยุดก็คือการนั่งดูกีฬาทางโทรทัศน์ตอนวันหยุดเด็กนักศึกษากลุ่มนี้ชอบนัดกันไปเตะฟุตบอลที่สนามในมหาวิทยาลายัยมีอยู่ค่ําวันนึงผมจําได้ว่าเป็นวันเสาร์ผมแวะไปที่บ้านของน้องๆกลุ่มนั้น พอผมโผล่เข้าไปในห้องน้องๆพวกนั้นกำลังนั่งอยู่ครบหน้าซึ่งปกติแล้วเขาจะนั่งดูกีฬาทางโทรทัศน์กันอย่างสนุกสนานแต่ว่าวันนั้นผมรู้สึกทันใดว่าเกิดความเงียบผิดปกติยังไม่ทันจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นชาญซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นก่อนผมทําพระหายพระอะไรอะพระพ่อใหมาผมห้อยอยู่ในคอวันนี้ไปเล่นฟุตบอลพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่อยู่แล้ว คงตกอยู่ในสนามฟุตบอลนั่นแหละผมปลอบใจเขาเล่าต่อว่าวันนั้นตอนเช้าชวนพวกเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ไปเตะบอลกันที่สนามด้านหลังมหาวิทยาลายัยเมื่อกลับมาถึงบ้านตอนบ่ายซึ่งกําลังจะอาบน้ําได้ถอดสายสร้อยที่คล้องคอเรียนพระที่คล้องคอไม่อยู่กับสายสร้อยก็แน่ใจว่าคงตกอยู่ในสนามแน่จึงขับรถกลับไปตามเพื่อนๆคนไทยอีกหลายคนก็ช่วยกันหาตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นก็ไม่พบ พวกเราไปกันหลายคนเดินหาตั้งหลายรอบเสียดายมากครับมีอยู่องค์เดียวซะด้วยเขาทำหน้าเศร้าแล้วแน่ใจหรือว่าหายที่สนามอะแน่ใจครับก็เพราะว่าก่อนไปเล่นฟุตบอลเนี่ยผมยังหยิบสร้อยมาใส่กับมือผมเองเลยอย่างอื่นหายผมไม่เสียดายแต่ว่าเนี่ยเป็นพระประจาตัวเขาทำท่าเหมือนจะร้องไห้ผมไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรนอกจากจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหากันอีกทีนะเดี๋ยวผมไปช่วย ชันพยักหน้าผมรู้สึกเห็นใจเขาเป็นอย่างมากนึกไปว่าถ้าเป็นเราทำพระหายบ้างจะรู้สึกอย่างไรพอคิดมาถึงตอนนี้ความคิดหนึ่งก็แวบเข้ามาในสมองผมถามเขาว่าคุณเชื่อไหมว่าพระที่คุณขล้องคลอเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขามองหน้าผมเชื่อสิครับถ้าอย่างนั้นก็ลองอธิษฐานขอให้หาเจอสิเขานิ่งไปนิดนึงทาหน้าไม่ค่อยเชื่อผมต้องทายังไงอะ่ะไปหาทูมาสักสองสามดอกนะ จุดทูบเสร็จก็สวดมนต์นึกถึงพระของคุณบอกว่าขอให้หาเจอชาญนึกอะไรอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นหันมาพูดกับผมว่าพี่อย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวผมมาสักพักหนึ่งเขาก็เดินออกจากห้องที่เรานั่งอยู่และประเดี๋ยวก็มีเสียงรถยนต์ออกจากบ้านไปพักใหญ่ๆต่อมาเขากลับมาพร้อมกับทูบในมือบอกผมว่าไปขอมาจากบ้านเพื่อนคนไทยอีกคนหนึ่งซึ่งมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วเขาจุดทูบหลับตา พนมมือจรดหน้าผากทูบสามดอกนั้นควันขโมงส่งกลิ่นหอมเต็มห้องจากนั้นเขาก็ลืมตาหันมาทางผมแล้วต้องทอํายังไงต่อครับผมมองไปรอบๆแล้วก็บอกเขาว่าเอาไปปักไว้ที่กลางสนามหญ้าหลังบ้านน่นก็ได้เขาเดินเอาทูบไปปักที่กลางสนามในขณะที่เพื่อนอีกสองคนก็ยืนดูค่ําวันนั้นผมอยู่คุยกับน้องๆกลุ่มนั้นจนเกือบสี่ทุ่ม นัดกันเป็นอย่างดีว่าวันรุ่งขึ้นผมจะแวะไปหาพวกเขาแล้วก็ไปหาพระด้วยกันอีกครั้งวันรุ่งขึ้นราวเก้าโมงเช้าหลังอาหารเชา้าผมแต่งตัวออกจากห้องเชา่าเพื่อไปหาฌานขณะที่กําลังออกจากบ้านรถของฌานก็มาจอดหน้าบ้านเขาลงจากรถเดินตรงมาหาผมส่วนเพื่อนอีกสองคนนั่งรออยู่ในรถกําลังจะไปหาที่บ้านพอดีผมบอกผมจะมาบอกว่าผมได้พระแล้วเขาพูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นเอ้าแล้วเจอตรงไหนล่ะ พอดีวันนี้ผมตื่นแต่เช้าก็เลยชวนเพื่อนๆไปที่สนามฟุตบอลขับผ่านเข้าไปกลางสนามเลยเพราะว่าตอนนั้นยังเช้าอยู่ไม่มีใครพอจอดรถเปิดประตูกำลังจะก้าวลงไปพระอยู่กับพื้นสนามหญา้าตรงประตูรถพอดีไม่น่าเชื่อเลยครับพี่อ่าผมยินดีด้วยนะนี่ก็แสดงว่าเมื่อวานนี้ก็หายังไม่ทั่วเลยสิแต่ผมแน่ใจแล้วนะพี่ว่าผมหาทั่วคนตั้งหลายคนเข้าแถวหน้ากระดานเดินไปเดินมาตั้งหลายเที่ยวแต่ก็ไม่เห็น ชาญบอกกับผมด้วยเสียงตื่นเต้นโชคดีแล้วที่ได้คืนอย่าทำหายอีกล่ะผมพูดยิ้มยิ้มก่อนเขาจะกลับผมขอดูพระองค์นั้นเขาค่อยๆถอดสายสร้อยทองที่สวมอยู่ออกทางศรีรษะให้ผมรับมาพิจารณาดูก็จำได้แม่นยำจนบัดนี้พระองค์นั้นเป็นเหรียญรูปไข่ขนาดสูงสักหนึ่งนิ้วเศษเลี่ยมทองจับขอบโดยเปิดโล่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าพระเป็นรูปพระนาคปก มีตัวหนังสือเล็กๆเขียนไว้ด้านล่างของพระนาคปกผมเพ่งสายตาดูอ่านได้ใจความว่าปลุกเสกโดยท่านธรรมวิตาโกหรือท่านเจ้าคุณนอรรัตราชมานิตส่วนด้านหลังเป็นยันตรงกลางมีตัวอักษรเขียนอยู่รอบๆว่าในงานทอดผ้าป่าวัดอุ่นพุทธารามของจเรตำรวจปีพุทธศักราช2514เรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเราใครจะว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าบันทึกไว้อยู่ดีสำหรับผมเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าอำนาจแห่งบารมีธรรมของพระอริยสงฆ์ที่ทรงศีลานุวัตอันบริสุทธ์นั้นไม่มีประมาณเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ต่อมาผมเคยคุยกับเพื่อนๆที่เขานิยมพระเครื่องจึงได้ทราบว่าเหรียญพระรุ่นนั้นเป็นเหรียญที่ท่านเรตํารวจสมัยนั้นได้ทาขึ้นแล้วขอให้พระภิกษุ พระยานนารรัตราชมานิตวัดเทพศิรินที่ชาวบ้านพากันเรียกท่านว่าเจ้าคุณนอท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเพื่อแจกให้คนที่ไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโบสถ์พวกตำรวจที่ได้ไปบูชามีประสบการณ์ทางแคลวคลาดพยันตรายต่างๆเป็นที่กล่าวขวัญกันพวกนักเล่นพระเขานิยมกันมากเรียกเรียนรุ่นนี้ว่าปรกจเจร